ตันนี้เสียงฝนตกมันค่อนข้างจะดังคือว่าเสียงธรรมคงจะฟังไม่ค่อยชัดกันเรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันจนกว่าฝนจะหยุดเสียงจะเบาลงแล้วค่อยมาฟังเทศฟังธรรมกันต่ อ, อนานจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมกันสักครั้งเทวดาบันดาล เทวดาไม่บันดาลก็จะไม่ได้ปฏิบัติกันงั้นตอนนี้เรามาลองนั่งสมาธิกันจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพระเพียบก็ได้อามเทียาศสยนั่งตั้งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งแล้วก็นั่งให้สบายเอามือขวาวางไว้หน้าตักมือขวาทับมือซ้าย หลับตาแล้วก็จะใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ mm hmm. พุทธโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจก็ดูที่ปลายจมูกดูให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออก เพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวหรือถ้าจะใช้พุทธโธก็อยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวบางท่านอยากจะใช้พุทธโธกำกับลมหายใจก็ใช้ได้แล้วแต่ความถนัดหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโรอันนี้เป็นวิธี ที่ต่างกันแต่ได้ผลเหมือนกันเขือใจจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขอจะไม่รู้สึกอึดอัดถ้าใจสงบแล้วนั่งสบายเบา อ, อกเบาใจมไม่อยากจะลุกไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะได้อะไร<ม>ขอให้เรามาลองนั่งกันสักพักหนึ่ง<ม>แล้วพอ เสียงผลหยุดแล้วก็จะมาพูดถามกันต่ อ, อเราก็นั่งได้ประมาณห้าสนาทีแซบบเดียวสงบดีเย็นสบายเราต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามปัญหาอยากจะทราบ เกี่ยวกับเรื่องทำเรื่องของการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางพิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อนคำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายถึงข้อดี ของการถูกจับผิดเพื่อใช้เป็นอุบายวางใจเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถูกจับผิดทำอะไรก็ถูกตีความในแง่ร้ายเสียหมดเพียงเพราะเขามีอคติจะมีวิธีคิดและวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้โกรธและยังสามารถทำให้ใจเรากลับมาเป็นปกติได้ค่ะ ก็ใจที่เรามีความทุกข์จากการถูกเข า, าจับผิดก็เพราะว่าเราไม่ชอบให้ใครเขาชอบมาตำหนิเราอันนี้เป็นพื้นฐานของความของปัญหาของเราคือเราไม่อยากให้เขามาตำหนิมาจับผิดเราเราก็ต้องแก้ตรงนี้ต้องหยุดความอยากไม่ให้เขามาจับผิดเรา เพราะเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะจับผิดเริ่มจับถูกเเขาจะชมเรื่งเขาจะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ดังนั้นเราควรที่จะมาแก้ปัญหาที่ใจเราคือเราอยากไปอยากให้เขาไม่มาตำหนิมาจับผิดเราแล้วใครจะมาจับผิดเราหรือไม่จับผิดเราเราก็จะรู้สึกเฉยเฉย ต้องดูว่าการจัการกระทําของเขาเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศอย่างที่เมื่อกี้ฝนตกเราก็ห้ามฝนไม่ได้ฝนตกก็ปล่อยเขาตกไปเราฟังเทศกันไม่ได้เราก็นั่งสมาธิกันไปแทนเราไม่อยากให้เขาตำหนิแต่เขาตำหนิเราก็ทาใจให้สงบไปทาใจให้เฉยเฉยไปถ้าจะมองในแง่ดี มันก็มีผลดีถ้าการจับผิดของเขาเป็นการพูดตามความเป็นจริงว่าการกระทําของเราไม่ถูกต้องซึ่งบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตัวของเราเองเพราะบางทีเรามักจะมีอคติเวลาเราทําอะไรเรามักจะคิดว่าถูกเสมอแต่มันอาจจะไม่ถูกก็ได้ ถ้ามีคนเขามาบอกเราว่ากำลังทำไม่ถูกก็เป็นเหมือนคนเขามาชี้ข้อบกพร่องเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราเวลาเราจะแต่งเนื้อแต่งตัวออกนอกบ้านเรามักจะต้องมองกระจกก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าหน้าตาของเราสะอาดเรียบร้อยหรือไม่ถ้าไม่มีกระจกเราก็อาจจะไม่รู้ ว่ามันไม่เรียบร้อยก็ได้ซึ่งเราอาจจะคิดว่าเราเรียบร้อยแต่เราไม่ได้ดูกระจกมันอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้ <Yeah. S 1> ออกไปแล้วก็ไม่น่าดู <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามีกระจกแล้วก็ดูหน้าเราแล้วดูว่าเรียบร้อยหรือ ย, อยังเ <Yeah. S 1> ช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดวีผ้าวีผมอะไรเรียบร้อยหรือ ย, อยัง <Yeah. S 1> อันนี้ การบอกการชี้ความผิดคบนี้ก็เป็นเหมือนกระจกให้เราได้รู้ว่าเราบกพร่องหรือไม่บกพร่องถ้าเขาบอกด้วยความเป็นจริงเราควรที่จะขอบคุณเขาเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราท่านท่านบอกว่าใครที่เขาบอกความผิดของเรานี่เป็นเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ เพราะเมื่อเรารู้ว่าการกระทาของเรานี้ไม่ถูกต้องเราหยุดกระทำความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเราก็จะไม่เกิดเราก็จะปลอดภัยไม่ต้องสูญเสียอาจจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองก็ได้ถ้าเราไปทำอะไรผิดต้องเสียค่าปรับจ่ายค่าปรับอะไรต่างๆดังนั้นถ้าเรามองด้วยปัญญา การที่มีคนคอยจับผิดเรานี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามีสติมีความระมัดระวังเวลาเราทำอะไรเราจะคอยมีจดจ่อดูว่าเรากำลังทำถูกหรือไม่อย่างที่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ก็โดนท่านจับผิดตลอดเวลาท่านจ้องดูเราตลอดเวลาดูว่าเราทำอะไรถูกหรือไม่ถูก เวาไม่ถูกท่านก็จะตำหนิทันทีจะบอกทันทีว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่าทำเองนะถ้าทำก็อย่าอยู่ที่นี่นะท่านใช้การสอนแบบนี้ทำให้เรามีสติมีความระมัดระวังแล้วการกระทำอะไรต่างๆก็จะไม่ผิดพลาดจะทำได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความเสียหายต่างๆตามมานี่คือประโยชน์ของการที่เราถูกจับผิดเป็นคุณประโยชน์กับเราถ้าเราไม่มีอัตตาตัวตนถ้าเราไม่ถือตัวว่าเราวิเศษเราเป็นคนที่ใครแตะไม่ได้ใครตาหนิไม่ได้เราก็จะไม่มีวันที่จะพัฒนาตัวเราเองได้เพราะถ้าเราวิเศษจริงเราคงไม่ต้องมาเกิดกัน ถ้ามาเกิดก็แสดงว่ายังโง่อยู่ถ้ายังโง่ก็ต้องให้คนฉลาดสอนเราสอนให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรผิดเราควรจะแก้ไขอย่างไรเห็นถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเราของเราให้ดีขึ้นเราต้องยินดีกับการจับผิดของผู้อื่นต้องยินดีกับคําตำหนิเอติเตียนเอ ตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอน เ, ออเพราะอันนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเราขึ้นได้เมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่ดีพอเรายังบกพร่องตรงนั้นตรงนี้เราก็แก้ไขไปเมื่อแก้ไขแล้วเราก็จะดีขึ้นไปออสิ่งข้อบอกพร่องก็น้อยลงไปออความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเราก็น้อยลงไป ความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะน้อยลงไปดังนั้นมาแก้ที่ความไม่อยากให้เขาตำหนิเราดีกว่ายอมรับว่าเกิดมาในโลกนี้เหมือนอยู่เห ม, มือนอยู่ใต้ฟ้าอยู่ใต้ฟ้าก็ต้องเจอฝนกันไม่มีใครหนีฝนได้เกิดมาในโลกก็ต้องสัมผัสโลกกระทำทั้งแปดคือลาบยศสรรเสริญและก็สุข ที่มีทั้งบวกและมีทั้งลบมีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อมมีการเจริญลาบมีเสื่อมลาบมีเจริญยศมีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์ตามมาสลับกันไปถ้าเราจะไม่ยอมรับส่วนที่ไม่ดีเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมรับมันก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่กับ ความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขได้อย่างสบายข้อที่สองการที่หนูเคยมีเรื่องบาดหมาง ก, กับใครแล้วหนูก็พยายามใช้อุบายความเมตตาสอนใจเพื่อลดความโกรธเกลียดและความคิดที่ไม่ดีกับคู่กรณีโดยยึดหลักว่า จะไม่ผูกเวรผูกอาฆาตทําไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งใจมันเบาสบายขึ้นแต่คู่กรณีของหนูเขาก็ยังโกรธเกลียดหนูเช่นเดิมเพียงแต่เขาจะไม่แสดงกิริยาอาการเมื่ออยู่ต่อหน้าอย่างนี้ถือว่าหนูสอบตกไหมคะเรื่องของคนอื่นเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจะเกลียดเราไปจนวันตายก็ห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือ ทำใจของเราให้สงบไม่ตอบโต้ไม่มีเวรมีกรรมกับเขาถ้าเราทำได้เราก็สอบผ่านแล้วถ้าใจเราเย็นใจเราสงบมีความสุขแต่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนไปห้ามเขาได้เขายังจะโกรธจะเกลียดเราก็เป็นเรื่องของเขาไปข้อที่สาม การที่ไปเฝ้าดูพฤติกรรมของคนนั้นคนนี้ว่าเขาทำอะไรอย่างทําถูกผิดอย่างไรนั้นอันนี้เรียกเป็นพฤติกรรมที่ส่งจิตออกนอกไม่ดูใจตัวเองใช่ไหมคะใช่ยกเว้นว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูพฤติกรรมของผู้ถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เรามีลูกศิษย์ลูกหามาศึกษาเราก็ต้องคอยดูการประพฤติของเขา หรือถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูลูกความประพฤติของลูกว่าทําผิดถูกอย่างไรเพื่อที่เราจะได้สอนเขาแก้ไขการประพฤติที่ไม่ดีของเขาไปถ้าเราไม่สอดส่องดูแลเราก็บกพร่องในหน้าที่ของเราแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ควรที่จะไปดูความประพฤติของผู้อื่น ให้ดูความประพฤติของเราเป็นหลักดูการคิดการพูดการกระทาของเราว่าอยู่ในครอ่อมทำนองคลองธรรมหรือไม่ถ้าออกนอกรูนอกทางเราก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาให้ได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนี้จะไม่สนใจกับความประพฤติของผู้อื่นนอกจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าเวลาทำกิจกรรมร่วมกันก็ต้องดูประกันบ้างว่ากาลังเดินมาทางไหน เขาเดินมาทางนี้เราถ้าเดินไปทางเดียวกับเขาเดี๋ยวก็ชนกันถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็ต้องมองบ้างแต่มองเพื่อที่จะได้การไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแต่ไม่ได้มองเพื่อจับผิดจับถูกเขา ข้อที่สี่ในกระบวนการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลจิตใจนี้หนูจะรู้สึกทุกข์มากเพราะต้องฝืนที่ไม่ได้ทำตามใจที่เคยทำอย่างเช่นการตอบโต้เมื่อถูกจ้องจับผิดหรือถูกนินทาแล้วต้องทำใจเฉยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่โกรธซึ่งมันยากและทรมานใจมากอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเทศว่าทุกต้นสุก ป, ปลาย นั่นแหละทุกเพราะความอยากของเราเรายังอยากทำตามความอยากของเราอยู่พอเรามาปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาและถ้าเราชนะความอยากได้ความอยากมันสงบตัวลงเมื่อไหร่เราก็จะสบายไปตลอดจะไม่มีความอยากมาขอกวนสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราอีกต่อไปดังนั้นมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ทุกตอนต้นแต่จะสุขไปตลอดดีก็สุขตอนต้นแล้วก็ต้องมาทุกตอนปลายแล้วเราก็ต้องทุกไปตลอดเพราะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณเตา๋าพอดีอ่านคำถามของวันที่19ตุลาคมเรื่องจิตรวมเป็นสมาธิจึงสงสัยที่หลวงพ่ออธิบายว่าเราใช้สติพุโทโธเพื่อต้อนลูกกอล์ฟให้ใกล้หลุม แล้วพุโทโธต่อไปเรื่อยๆปับเนี่ยมันลงไปในหลุมก็จะเกิดความว่างคำถามคือว่าในความว่างนั้นจะไม่มีคำว่าพุโทโธใช่ไหมครับจะมีแต่ตัวรู้ว่ามันว่างใช่ไหมครับแล้วในระหว่างที่เราอยู่ในความว่างนี้เราต้องทำยังไงต่อครับเช่นปล่อยให้มันว่างไปเรื่อยๆจนจิตออกจากความว่างแล้วค่อยพุทโธต้อนลูกกอเข้าหลุมใหม่เหรอครับถูกต้อง ถ้าเวลามันสงเมันว่างแล้วมันก็จะนิ่งมันจะไม่มีการกระทําอะไรเราก็ไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่มีสติรู้อยู่กับความว่างนั้นไปจนกว่ามันจะถอนออกมาแล้วถ้าเราอยากจะให้มันกลับเข้าไปในความว่างนั้นอีกเราก็ต้อนมันกลับเข้าไปใหม่เราก็พุโทโธพุโทโธใหม่คำถามจากคุณวัชระข้อที่หนึ่ง เวลาเจอคนพูดมากมากแล้วจะรู้สึกเครียดลำคาญควรวางใจอย่างไรครับก็ควรเปลี่ยนใจของเราให้ชอบเขาชอบการพูดของเขานี่เราใจไม่สบายก็เพราะเราไม่ชอบฟังเราต้องคิดว่าเวลาที่เราไปฟังของที่เราชอบฟังจนหัวลอดได้อย่างสบายมันก็เป็นเสียงเหมือนกันทำไมเราฟังได้ พอไปฟังเสียงที่เราไม่ชอบเราก็ทนไม่ได้ขึ้นมามันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบของเราดัางนั้นถ้าเราทุกข์เพราะเราไม่ชอบเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันชอบถ้าชอบแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ข้อที่สองถ้าคนพูดมากมาชวนคุยไม่หยุดควรทําตัวอย่างไรครับควรไหลาตามน้ําหรือหักดิบไม่สนใจดีครับก็เร า, ก, า, ก, า ก, ก็พูดโทรของเราไปเฉยๆปล่อยให้เขาพูดไป พยักหน้าไปเอเอพุทโธไป เ, เ, เดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็อยู่แดงข้อที่สามตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกไม่อยากเข้าสังคมเพราะรู้สึกวุ่นวายเขาจะชอบคุยฟุ้งซ่านกินข้าวดึกด ก, กินอาหารไม่เป็นประโยชน์ควรแก้ไขยอย่างไรครับทำวางตัวแบบใดถึงจะพอดีครับถ้าไม่จำเป็นต้องเข้าสังคมก็อย่าเข้า ถ้าไม่ต้องเกรงใจคือให้เราเลือกเอาระหว่างเพื่อนที่ไม่ดีกับการที่เราอยู่อย่างสงบอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเขาไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปคบคาสมาคมกับเขาเราก็เก็บตัวอยู่ของเราคนเดียวดีกว่าก็ปฏิเสธไปอย่างอลอย พูดอย่างสวยงามก็แล้วกันว่าต้องกลับบ้านต้องไปทำธุระหรืออะไรก็ว่าไปเขาอยากจะสังสรรสมาคมอะไรกันก็ปล่อยเขาสังสอนสังสรรกันไปถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีก็จาเป็นก็เพื่อมารยาทเพื่อความสัมพันธ์ทำไม่ดีที่ดีก็อาจจะต้องอทนไปกับเขาบ้างแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องรักษาสัมพันธภาพอันนี้เราก็ ปฏิเสธไปข้อที่สี่ผมอยู่ต่างประเทศแล้วเวลาไปวัดบางครั้งพระท่านจะปฏิบัติตนไม่เหมาะสมผมก็จะรู้สึกโกรธผมควรทําอย่างไรดีครับวางใจอย่างไรดีครับก็มองพระว่าท่านก็เป็นคนเหมือนเราต่างกันตรงที่ท่านโกนศีรษะกับผมผ้าเหลืองความเป็นพระของท่านไม่ได้อยู่ที่การ โกนศีรษะห่มผ้าเหลืองแต่อยู่ความประพฤติในธรรมวินยัยถ้าท่านไม่ประพฤติในธรรมวินยัยก็ไม่ถือว่าท่านเป็นพระก็แล้วกันถือว่าท่านก็เป็นเหมือนเราเพียงแต่ว่าท่านโกนศีรษะเ่าห่หมผ้าเหลืองเท่านั้นเองคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามช่วงนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆแต่ในจิตได้ยินเสียงตัวเองสวดมนต์สลับกับภาวนาพุทโธ เกิดจากจิตฟุ้งซ่านหรือเกิดจากอะไรคะพอออกจากสมาธิก็จาไม่ได้ว่าสวดบทอะไรเมื่อสติเรายังไม่มีกำลังมากพอที่จะหยุดความคิดกรุงแต่งต่างๆมันก็เลยสวดไปอะไรไปงัเราถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบเต็มที่เราต้องเจริญสติฝึก ส, สติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ เเวลาเราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรเราก็จเจริญสติไปใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องอื่นพร้อมๆกับการกระทำถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการกระทำของร่างกายได้เวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะสามารถควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เรานั้นได้ทำใบประชาสัมพันธ์หรือโปสเตอร์งานบุญต่างๆโดยมีรูปพระหรือพ่อแม่ครูอาจารย์โดยมีเจตนาดีเพื่อประชาสัมพันธ์งานบุญแต่เมื่อเสร็จงานแล้วหากนำไปทิ้งจะเป็นบาปหรือไม่เหมาะสมไหมคะก็ทิ้งให้มันมันดูมันเรียบร้อยใช่นะเาใบเผาทิ้ง่ะ ถ้าเอาไปโยนที่กองขยะมันก็ไม่ดีเพราะว่าภาพของครูบาอาจารย์เป็นเป็นบุคคลที่เราเคารพ บ, บูชานับถือควรจะเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมะถ้าไม่มีที่ทิ้งก็เก็บไว้ที่บ้านหอในถุงในพระสติกลายเก็บไว้ก็ได้หรือถ้ามีเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีเครื่องตัดกระดาษก็ตัดกระดาษไปไปหรือว่าเผาไปก็หมดเรื่องไป มีใครในนี้อยากจะถามอะไรัหมไม่มีจะให้ทางที่ติดตามทางถ่ายทอดสดในขณะนี้ได้ถามคำถามต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กไลฟ e นะครับจากคุณวันดีนะครับขอโอกาสหลวงตาบรรยายขยายธรรมคำว่าที่เห็นเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงไม่รู้เหมือนกันใครเป็นคนพูดทำไมวะคำว่าเห็นจริงกัสิ่งที่เห็นไม่จริงมันมันมันหมายความว่ายังไเอ่ไม่ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันคือสิ่งที่เราเห็นมันก็จริงแต่มันจริงในขณะนั้นขณะเดียวแล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปเช่นดอกไม้ที่เราเห็นตอนนี้มันก็สดใส เดี๋ยวอีกวันสองวันมันก็กลายเป็นดอกไม้ที่เฉาไปยังจะว่ามันจะจะเป็นดอกไม้สดไปตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อมันก็จะว่ามันจริงมันก็ไม่จริงแล้วเพราะว่าอีกสองวันมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเรามองตอนที่เราสาวเราหนุ่มมันก็เป็นอีกอย่างมองที่ตอนที่มันแก่มันก็เป็นอีกอย่างจะว่ามันจริงหรือไม่จริงอันนี้ ก็มันเปลี่ยนไปถ้าว่าจริงแท้แน่นอนมันไม่จริงแท้แน่นอนถ้าว่ามันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันเหมือนเดิมนี่มันเป็นไปไม่ได้ของทุกอย่างในโลกนี้มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาช้าบ้างเร็วบ้างท่านถึงเรียกว่าอานิจจาไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าร่างกายเราก็ช้าหน่อย ก็จะเปลี่ยนมาจากเด็กมาเป็นคนแก่นี่ก็ล่อเขาไปตั้งแปดสิบปีนะแต่ถ้าเป็นดอกไม้นี่พอเราตัดออกม า, สาใส่แจกันไม่ถึงอาทิตย์มันก็เฉาหมดแล้วแต่มันก็อยู่ในลักษณะอันเดียวกันคือมันต้องเสื่อมต้องซุดต้องหมดสภาพไปสาราที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันนี้ต่อไปมันก็คงจะต้องหมดสภาพไปตาม ตามตามกฎของอนิจจังคือความไม่ถาวรคำถามข้อต่อไปจากคุณอ๊อฟนะครับลบกวนพระอาจารย์สอนนอนทำสมาธิเจ้าค่ะเพราะต้องปิดไฟนอนนิ่งๆข้างๆลูกทุกวันพอลูกหลับสนิทแล้วจึงลุกทำอย่างอื่นต่อช่วงนอนนิ่งๆ น, นั้นกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่อยากเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ได้ถ้าเราจำเป็นจะต้องนอนสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรื อ, อยู่กับพุทธโธเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธินี่แหละเพียงแต่ว่าเรามักจะไม่ทำกันเพราะว่ามันจะเป็นท่าที่ทำให้เราหลับง่ายถ้าจะนอนถ้าจะอยู่ในท่านอนก็ให้นอนในท่าสีห์สายาสนอนตะแคงขวานะแล้วก็ มีสติอยู่กับลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปก็ได้แต่ถ้านั่งได้ก็ควรจะนั่งจะดีกว่าโอกาสาที่มันจะหลับมันยากกว่าขนาดนั่งมันยังหลับได้เลยคราวีคิดดูด้เวลามันนอนมัน <c oughs> กลัวจะหลับแล้วจะไม่ได้ประโยชน์ท่านั่นเองในท่านอนแต่ถ้าจําเป็นต้องเลี้ยงลูกแล้วขณะนั้นอยู่ในท่านอนแล้วอยากจะภาวนาก็ภาวนาได้ พุโทโธไปก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้คำถามจากคุณเอเจนะครับคำถามจากผู้เริ่มฝึกเวลาดูลมหายใจเฝ้าติดตามดูอาการแล้วรู้สึกเหนื่อยอึดอัดหายใจไม่เป็นจังหวะแก้ไขอย่างไรดีครับลองใช้คําบริกรรมไปก่อนโดยไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกต้องพุโทโธพุโทโธไป ถ้ายังอึดอัดยังท่องไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดบทที่เราจำได้อรหังสัมมาสวาค้าโตไปจเจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดไปเรื่อยๆจนใจรู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดก็ดูลมต่อไปได้พอตอนต้นนี้ใจมันยังมีกำลังมากกิเลสมันยังมีกำลังมากพอจะมาหยุดมันนี่มันก็จะรู้สึกอึดอัดก็ปล่อยให้มันมาสวดมนต์ก่อน หรือบางท่านก็อาจจะฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เปิดธรรมะฟังไปแล้วใจได้ได้คิดพิจารณาตามธรรมมันก็เลยจะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วพอได้ทรมากล่อมใจใจก็จะเย็นจะสงบได้พอสงบแล้วก็นั่งดูลมหายใจต่อไปได้คำถามจะคุณพิมนะครับ ออกพรรษาจะเห็นพระทุดงเยอะมากอยากทราบว่าทําไมพระต้องเดินทุดงคะคือเดินทุดงมันมีเดินได้หลายรูปแบบนะถ้าเดินตามบ้านตามเมือง น, นี่ก็ไม่รู้ว่าเดินทุดงกันทําไมนะที่ท่านเดินทุดงกันส่วนใหญ่ท่านไปเดินในป่าท่านไปเปกวิเวกกันซึ่งเรามักจะมองไม่เห็นกัน ถ้าเดินทุ่ดงให้พวกเราเห็นก็แสดงว่ากำลังกาลังกาลังแสดงปฏิหารให้เราดูกันอ๋อหมายความว่าแม้แต่จะเดินข้ามจังหวัดก็ไม่ควรเดินบนถนนใช่ไหมครับอาจารย์ควรจะไปเดินในป่าเลยใช่ไหมครับก็สมัยก่อนมันไม่มีถนนค่นก็เดินคือท่านจะเดินในป่ากันเดินสมัยก่อนหมู่บ้านเ็จะมีทางเดินเชื่อมกันไป ถ้าตามท้องถนนก็ถ้าจำเป็นจะต้องเดินจริงๆก็เดินได้แต่สมัยนี้มันมีรถมีลาเราไม่ต้องเดินก็ได้นั่งรถไปถึงจุดที่เราเดินเข้าไปในป่าแล้วเราค่อยเดินไปกันก็ได้แล้วการไปทุ ด, ดงจริงๆนี้ท่านไม่นิยมจะไปกันเป็นฝูงอย่างนีนนะ <c oughs> ไปเป็นขบวนเป็นถ้าไปจริงๆเนี่ยท่านมักจะไปองค์เดียวหรือสององค์ จากที่เคยคุยกับพระที่ไปเดินทุดงเยอะๆครับส่วนใหญ่จะได้ความสนุกกับอาจารย์ใช่เขาไม่ชอบความหมายของการเดินทุดงเพื่อการไปเปลีกวิเวกไปหาที่สงบห่างไกลจากคนห่างไกลจากเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเพื่อจะได้ทําจิตให้สงบได้ง่ายแต่ถ้าไปกันหลายคนมันก็เดี๋ยวก็เกี่ยวข้องกันคุกคีกันสนทนากัน มีปฏิสันฐานกันมันก็เลยไม่สงบคําคำถามจากคุณอนงนุชนะครับเงินที่ผู้มาร่วมบุญในงานบวชถ้านำเงินดังกล่าวไปทำบุญจะได้บุญไหมเจ้าคะหมายถึงบุญที่เขามาทำงานงานบวชครับงานบวชกับกับญาติอะไรเงี้ยครับแล้วไปทำบุญต่อ ก็ที่เขามาร่วมบุญเขาให้กับเจ้าภาพอย่างนี้น ะ, ะเจ้าภาพถ้าไม่เอาไปทำบุญก็ไม่ได้บุญนะสิถ้าเอาไปทำบุญก็ได้บุญคําคำถามจากคุณฉวีวันนะครับไม่ไม่ทราบว่าคาถามไหมนะครับแต่ว่าอตอนนี้ไม่ได้ทำงานแต่ก็พยายามพุทโทรตลอดแต่รู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเลยก็มันยังไม่ได้ผลนะ ถ้าเราพูดโธรไปไเรื่อยๆแล้วพอจิตสงบเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเราขึ้นมาว่าเรามีความสุขและเกิดเรามีความสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจจะเริ่มเห็นคุณค่าของใจที่สงบว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าขึ้นมา ต, ตอนที่เราเริ่มต้นนี้ก็เหมือนกับเรากำลังเอาของที่มันสกรปรกมา มาชำละมาขัดสีชฉวีวันตอนที่ชำละมันเหมือ น, นก็ยังไม่สะอาดแต่ถ้าเราชำละไปเรื่อยๆขัดมันไปเรื่อยๆเช่นเราไปเจอทองเหลืองที่มันที่มันครั้มดำอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาคอยขัดมันไปเรื่อยๆตอนขัดใหม่ๆก็ยังดูมันไม่สวยงามยังยังดำครั้มอยู่แต่ถ้าเราขัดไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอคร า, าบต่างๆที่มันครอบ ไอทองทองเหลืองนี้ออกไปมันก็จะเหลือแต่ทองเหลืองที่สวยงามให้เราได้ชมนใจของเราก็อย่างนั้นใจของเราเป็นเหมือนเพชรในตม่มเพชรที่ยังไม่ได้รับการเจรไนเพชรที่เขาขุดมาจากดินนี้มันจะดูไม่สวยงามแต่พอก็เอามาเจรไนเอามาขัดมาแต่งแล้วมันก็จะกลายเป็นเพชรที่น่าดูน่าชมการปฏิบัต จเจริญพุโทโธนี่ก็เป็นเหมือนกับการเจริญนายเพชรใจเรานี่ก็คือเพชรเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินดินของความสกปรกของโลภโลภโมโทสันนี่เองดินของโลภะโทสะโมหะเราต้องมาขัดเกลีเอาโลภะโทสะโมหะที่ครอบงํเาเพชรเบนนี้คือใจของเรานี้ให้มันออกไปพอใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็น ใจอันประเสริฐที่เราเรียกว่าพุทธโธเนี่ยบริสุทธิ์พุทธโธใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตาสาวกนี้ท่านมีคุณค่าทั้งกับตัวท่านเองและกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังทำก็อยากทอแท้ทําไปเรื่อยพยายามเหมือนพุทธโธไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพอจิตดวมจิตสงบก็จะเห็นคุณา เี่คุณวิเศษของจิตใจที่สงบนี้คำถามจะคุณจำปานะครับเวลาทำบุญแล้วเห็นแล้วเห็นจิตมีความรู้สึกว่าอยากเกิดเป็นชายจะได้อยู่ในผ้าเหลืองเพราะเห็นผ้าเหลืองแล้วมีความสุขค่ะผิดไหมที่คิดแบบนี้ คิดแบบนี้มันก็เป็นความอยากเป็นกิเลสตัณหาที่มันอาจจะเป็นไปได้ยากให้เราคิดว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายเราก็ปฏิบัติไดเ้เราอยากจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองล้วก็ซื้อชุดเหลืองมาใส่ก็ได้ออออคอนหัวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นผู้ชาย แต่การที่จะเป็นพระนี้ไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองนี่อยู่ที่การโกนหัวการเป็นพระนี้อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจอยู่ที่ศีลธรรมนะเรฉั้นถ้าเราอยากจะเป็นพระก็ขอให้เราเจริญศีลธรรมคือดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นพระสมบูรณ์แบบคำถามจากคุณมันแกร่งที่ใจนะครับใจไม่นิ่งเลยอ่านหนังสืออยู่ ไปอีกอย่างทำอย่างไรดีครับถึงใจจะอยู่กับงานที่ทำก็มันพุทโธพุทโธไปเวลาทำงานก็พุทโธพุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดถ้าใช้ความคิดก็หยุดพุทโธแล้วก็ให้จดจ่ออยู่กับความคิดของการทำงานแต่เราต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธไปเตรียมตัวไปทำงานอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัว ไม่ต้องคิดอะไรก็พุโทโธพุทโธไปแล้วอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่อย่างเดียวคำถามหมดครับพระอาจารย์ก็ดีพอสมควรแก่เวลาวันนี้ก็คิดว่าถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรอีก็ะจะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้